www.fisf.rmutt.ac.th ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการม um ุมมองข่าวดำเนินรายการโดยดรนิสากรไรพบุญสินควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสต ร, ราจารย์ดรคุณกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้พบกับรายการมุมมองข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 เมกะนะคะและวันนี้ดิฉันด ร, รนิสากรพบูลสินก็มาพบกับคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงรถตุกต๊กๆคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะเคยนั่งรถตุกต๊กๆนะคะ ประสบการณ์ในการนั่งรถตุกๆนี่นะคะคุณผู้ฟังทําเอาชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยต่างที่จะชื่นชอบมากนะคะในการที่จะนั่งรถตุกๆเนื่องจากว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็มีมีการรับลมนะคะรอบคันเลยนะคะแล้วก็การขับรถที่บางครั้งนี่นะคะคนขับรถเนี่ยขับค่อนข้างจะหวาดเสียวนิดหน่อยนะคะก็สร้างความตื่นเต้นขึ้นได้ ตอนนี้รถตุ๊กๆเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังตามร้านอาหารไทยเนี่ยนะคะหรืออาจจะเป็นตามโรงแรมนี่นะคะก็จะมีการนำเอารถตุ๊กๆะคะซึ่งเป็นโมเดลเล็กๆนะคะมามาม า, มาตกแต่งนะคะเป็นส่วนประกอบภายในร้านอาหารหรือว่าโรงแรมหรือบางแห่งเนี่ยก็เอารถจริงๆเลยนะคะมาวางไว้เลยนะคะทั้งนี้นะคะ ใครผ่านไปผ่านมานเมื่อเห็นเข้าก็จะรู้เลยนะคะว่านี่คือสิ่งที่เป็นประเทศไทยนะคะสะท้อนประเทศไทยในเรื่องของสั ญ, ญลักษณ์นะคะที่มีความสําคัญมากนะคะในเรื่องของคำสัมพันธ์ต่างประเทศนะคะจึงทําให้ประเทศไทยเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันนะคะเมื่อเอ่ยถึงคําว่ารถตุกต๊กตุ๊ก วันนี้ดิฉันก็มีข่าวเกี่ยวกับรถตุ๊กตุ๊ ก, กมาบอกเล่าให้ฟังกันนะคะก็เป็นการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกันเข้าไปนะคะก็คือที่เชียงใหม่นะคะจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้นะคะสามารถที่จะเรียกรถตุ๊กตุ๊ ก, กไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันแก a บได้แล้วค่ะเรียกได้ว่าสะดวกมากมากเลยนะคะโดยการนำเอาแอปพลิเคชันนะคะ ไปใส่ไว้นะคะในแกล็บ น, นะคะคือเมื่อก่อนเนี้ยนะคะเมื่อเราจะเรียกแอปพลิเคชันแกล็บเนี่ยเราก็จะเรียกแท็กซี่ใช่ไหมคะเราสามารถที่จ ะ, ะต้องการรถแท็กซี่แบบไหนนะคะเราก็จะแสดงความความจำนวนเข้าไปได้นะคะแต่ตอนนี้ที่เชียงใหม่นะคะก็ได้มีการนําเอารถตุก๊กตุ๊กใส่เข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วหากว่าคุณฟังอยากจะนั่งรถตุก๊กตุ๊กในเชียงใหม่ก็สามารถที่จะเรียกผ่านแอปพลิเคชันแกล็บไปแล้วคะ่ะ นั่นก็คือแก๊บได้ลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตั้งเครือข่ายการเดินทางในเมืองเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะก็คือมีความร่วมมือกันทั้งนี้ก็เพื่อจุดประสงค์ใหญ่ๆเลยนะคะก็คือลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนตัวลงร้อยละ35ภายใน5ปีแล้วที่สำคัญก็ยังลดมลพิษอีกด้วยนะคะและก็รวมไปถึงการแก้ปัญหาจาราจรในจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพคะ่ะ แต่ว่าแกลบตุกๆของเชียงใหม่นี้นะคะเป็นรถตุกๆที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านะคะจึงทําให้ไม่มีมลพิษนะคะและผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถที่จะเรียกรถตุกๆไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ โดยแก๊บบอกว่าการส่งตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าลงสู่ตลาดเป็นอีก91วหนึ่งในการที่จะสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยและตอบโจทย์การขับเคลื่อนระบบขนส่งอัจฉริยะตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ค่ะ โดยมีข้อมูลจากกลุ่มวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธมรีได้ระบุว่ารถตุกๆที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า1คันสามารถที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 4.18 ตันต่อปีเลยค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องราวของที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการที่จะเรียกรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน Grab นะคะเรามาดูกันเรื่องของรถตุ๊กตุ๊กค่ะแต่นี่เป็นตุ๊กตุ๊กไทยที่โกอินเตอร์นะคะไปที่ประเทศอังกฤษนะคะเนื่องจากว่านะคะมีชาวุอาชาวอังกฤษนะคะซึ่งเป็นนักธุรกิจเนี่ยคือนายแม เอฟเวอรได้มาเที่ยวเมืองไทยนะคะแล้วก็มีมีการพบปะสังสรรค์นะคะในกลุ่มเพื่อนนะคะแล้วก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่ทํางานในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ชื่นชอบกับรถตุ๊กๆของประเทศไทยมากนะคะเมื่อเขากลับไปที่ประเทศอังกฤษเขาก็เลยมีความคิดที่จะสั่งรถตุ๊กๆนําเข้าจากประเทศไทยโดยสั่งจาก eBay นะคะซึ่งเป็นเว็บ ซื้อขายสินค้าชื่อดังระดับโลกนะคะนะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่า ebay ก็มีรถตุกๆนะคะจากประเทศไทยเข้าไปขายนะคะรถตุกๆ คันนี้นะคะคุณแมทก็ได้มาโมดิฟายนะคะปรับสมรรถนะเครื่องยนต์ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะให้เป็นเครื่องยนต์แบบ 350cc 2จังหวะและขนาดน้ำมันของไดฮัตสุก็เพิ่มขนาดเป็น 1,300cc นะคะแล้วก็ได้ทำการท้าพิสูจน์ลงในกิน n n e s s Book of World r e c o r d ที่จะทำสถิติโลกโดยกัน ขับรถตุกๆที่เร็วที่สุดในโลกนะคะแต่ว่าเขาต้องไปทดสอบที่สนามบินปิดเอวินตันในเมืองยอร์เชียนะคะของประเทศอังกฤษนะคะปรากฏว่ารถตุกๆ คันของเขาที่สั่งเข้ามานี้นะคะสามารถที่จะวิ่งด้วยความเร็วสูงนะคะได้ถึง 119.5 กิโลเมตรนะคะหรือถ้าเป็นคิดเป็นไม่ก็ประมาณ 74.3 ไมล์ต่อชั่วโมงค่ะถือเป็นการทุบสถิติใหม่ของรถในรุ่นนี้ที่เร็วที่สุดในโลกที่ทำได้สำเร็จนะคะและนายแมทก็ มีความคิดต่อนะคะว่าเมื่อกรุงเทพเนี่ยรถติดมากนะคะแล้วก็การจราจรนีนะคะแทบที่จะเป็นเป็นแบบว่าไม่สามารถจะเคลื่อนไปไหนได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาและครอบครัวนะคะจึงตัดสินใจเลือกทางเดียวกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆก็คือขอขึ้นรถตุ๊กๆดูนะคะทั้งนี้ก็เพื่อความประหยัดนะคะวก็ความเร็วคำแปลกใหม่ แต่จริงๆแล้วนี่นะคะคุณผู้ฟังรถแบบนี้นะคะให้คลายรถตุกๆบ้านเราเนี่ยมีอยู่ที่ประเทศอินเดียก็มีนะคะบราซิลก็มีแล้วก็ประเทศแถบทวีปเอเมริกาใต้ก็มีการใช้รถแบบนี้นะคะแต่เขาบอกว่าไม่มีอ่าประเทศอื่นนี่นะคะจะปลัดเปรียวเท่ากับรถตุกๆของไทยค่ะและ เขาภรรยานะคะเมื่อขึ้นรถตุกๆแล้วนะคะเขาก็ได้เข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อหารถแปลกๆนะคะแล้วก็พบว่า Ebay นํนำเสนอขายรถตุกๆไทยในราคา 3,000 ปอนหรือราวๆแสนกว่าบาทนะคะเขากับภรรยาก็เลยซื้อรถคันนี้นะคะไปใช้ที่ประเทศอังกฤษก็ถือว่าใช้งานมาแล้ว6เดือนนะคะถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าทั้งเงินและเวลาและตอนนี้รถตุกๆของเขาก็ กลายเป็นเจ้าของสถิติรถที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกนะที่บันทึกโดยกินเนสบุ๊ k ไปแล้วนะคะและวนายแมทก็บอกว่าในอนาคตเขาจะพยายามที่จะทำลายสถิติใหม่โดยอัปเกรดเครื่องยนต์เพื่อให้รถตุกๆคันนี้สามารถวิ่งได้ความเร็วสูงถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ 80.8 หไมล์ให้ได้นะคะคุณผู้ฟังคะ่ะรถตุกๆนี้นะคะก็เป็นการนาเข้านะคะ มาจากประเทศอินเดียนะคะในตระกูลออตโตลิกชอโดยวิศวกรชาวอังกฤษนะคะอันนี้คือประวัติของรถตุกๆที่วิ่งในประเทศไทยเหล่านี้ค่ะแต่ความที่ท่อไอเสียของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดังนะคะเหมือนอแตกๆนะคะตุกๆๆอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยกลายเป็นชื่อนะคะที่เรียกกันว่ารถตุกๆนั่นเองนะคะ และเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาก็มีบริษัทในอังกฤษนะคะได้สั่งรถตุกตุกจากเมืองเมืองไทยนี้นะคะนำเข้าประเทศอังกฤษแล้วก็ไปจดลิขสิทธิ์ชื่อว่าตุกตุกว่าเป็นของอังกฤษนะคะแต่สำหรับ ในประเทศไทยหากว่าคุณฟังท่านใดสนใจนะคะที่อยากจะซื้อรถตุกๆไว้ใช้นะคะหรือว่าจะลองนะคะใช้รถตุกๆแบบไฟฟ้าดูนะคะตอนนี้นะคะที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตะะิร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้านบุรีนะคะก็ได้มีการดัดแปลงรถตุกๆที่ใช้น้ำมันนี่นะคะมาเป็นรถไฟฟ้านะคะ แต่ว่าเขาเนี่ยอยู่ในแผนอนุรักษ์พลังงานนะคะไปจนถึงปี 2,579 ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนี้นะคะจะเข้าตามแผนหรือว่าขอรับความช่วยเหลือทางด้านงบประมาณนะคะ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินี้นะคะก็สามารถที่จะทำได้นะคะโดยนะคะเขาได้จัดทำเป็นโครงการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรถตุกต๊กตุ๊กให้เป็นรถตุก๊กตุ๊กไฟฟ้านะคะเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ยานยนต์ประเภทนี้ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการลดมลพิษด้วยนะคะแรกเริ่มนี้นะคะก็จะนำร่องนะคะอยู่ที่สองหมื่นคันนะคะและ โครงการนี้นะคะต้องการส่งเสริมเฉพาะรถตุ๊กๆที่ใช้ไฟฟ้าเท่านั้นนะคะโดยจะดำเนินการ3 ส, ส่วนค่ะเผื่อว่าคุณฟังท่านใดสนใจนะคะก็คือสนับสนุนนะคะหาผู้ประกอบการนำร่องเพื่อเปลี่ยนรถอ่านรถตุ๊ก ๆ, ๆเดิมนะคะเป็นรถตุ๊กๆไฟฟ้าจำนวนหนึ่งคัน โดยผู้เข้าร่วมเนี่ยจะต้องนำรถเก่ามาแลกแล้วก็จะได้เงินสนับสนุนในการจัดซื้อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าคันใหม่ทดแทนในอัตราที่กำหนดส่วนที่2ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าและการดูแลรักษาข้อจำกัดในการใช้งานและส่วนที่3ก็จะเป็นการติดตามข้อมูลการใช้งานของรถตุ๊กตุ๊กใหม่ทางรอยคันนะคะด้วยระบบอินเทอร์เน็ต โดยนะคะทำเป็นโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กๆเป็นรถตุ๊กๆไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าอีตุ๊กๆนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะดําเนินการโดยกลุ่มวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของรถตุ๊กๆนํามาฝากคุณผู้ฟังแต่ว่ายังไม่หมดนะคะในช่วงที่2เราจะมีประวัติของรถตุ๊กๆมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนค่ะ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 Just be alone. c o u need n o m e o n e ฟังเพลงจากรายการผ่านไปเรามาดูประวัติของรถตุกต๊กๆกันนะคะรถตุกต๊กๆเนี่ยเป็นชื่อที่เรียกนะคะแบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาราชการนะคะเราจะเรียกรถคันนี้นะคะว่ารถสาล้อเครื่องนะคะรถสล้อเครื่องหรือว่ารถตุกต๊กๆเนี่ยเรารู้จักกันดีเพราะว่านำเข้ามาเมืองไทยเป็นครั้งแรกนะคะในปี2503 โดยนำเข้ามาจากหลายประเทศนะคะส่วนใหญ่ก็จะนำเอ า, อาเครื่องยนต์นะคะจากาประเทศญี่ปุน่นไม่ว่าจะเป็นได h ั t s ุ Hino m a z ส a m i t s u b i ิช i มานะคะแล้วก็ยุคแรกๆนี้นะคะรถเนี่ยตกอยู่ที่คันละสองหมื่นบาทแต่ตอนนี้ราคาเนี่ยขยับขึ้นไปเป็นหลักแสนแล้วนะคะแล้วเครื่องยนต์นะคะก็ตอนนี้ก็นิยมใช้ไดฮัตสุนะคะยี่ห้อเดียวคะ่ะสมัยก่อนนี้นะคะรถตุกๆเนี่ยสามารถเดินขึ้นลง ได้สองด้านนะคะแต่เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเลยกำหนดให้ปิดทางขึ้นด้านขวาของตัวรถนะคะเหลือเพียงทางด้านซ้ายเพียงด้านเดียวก็คือขึ้นลงเพียงด้านเดียวค่ะแล้วกว่าที่จะมาเป็นรถตุ๊กตุแบบนี้นะคะผู้ฟังคะมีวิวัฒนาการนะคะมาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะก็ยังยืนหยัดอยู่นะคะจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยค่ะ แต่ตอนนี้นี่นะคะรถตุกๆเนี่ยถูกจํากัดจํานวนนะคะทางราชการก็ออกกฎห้ามจดทะเบียน ร, รถตุกๆรับจ้างเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพนนทบุรีและนครราชสีมาค่ะแต่อนุรุมให้เฉพาะรถตุกๆส่วนบุคคลที่นำไปประยุกใช้งานเฉพาะอย่างได้นะคะจึงทำให้รถตุกๆที่วิ่งบนท้องถนนในกรุงเทพตอนนี้มีเพียง 7,405 หคันเท่านั้นค่ะแต่ถ้าจะรวมกันทางประเทศนะคะรถตุกๆที่วิ่งอยู่ก็มีเพียงแค่สา0 0 0ื่นกว่าคันเท่านั้นค่ะ และที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่ารถตุก๊กตุ๊กนี้คนไทยสามารถที่จะประกอบใช้ได้เองนะคะและบางโรงงานเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานแฮนด์เมดด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะคะเพราะว่าใช้มือทำนะคะแต่คุณผู้ฟัง นะคะต้องมั่นใจอย่างหนึ่งนะคะว่ารถตุกต๊กๆนี้ไม่ใช่มีเฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะยังมีประเทศอินเดียนะคะประเทศทางบราซิลนะคะก็นิยมนำเอารถประเภทนี้นมาใช้กันแต่ว่ารถตุกต๊กๆไทยนี่นะคะก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศอื่นๆนะคะเพราะสามารถที่จะส่งออกไป จำหน่ายยังประเทศอื่นๆได้แล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศสิงค โ, โปร์หรือประเทศสีลังการ์นะคะซึ่งรถตุกๆเนี่ยนะคะเมื่อส่งออกก็สร้างไรายได้ให้กับประเทศปีละหลายร้อยล้านบาทค่ะแล้วก็เป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยทางด้านการท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะ แต่รถแต่รถตุกๆนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ยังมีรถที่คลคลายนะคะรถตุกๆอยู่นะคะในบ้านเรานะคะอย่างเช่นรถสํารอพ่วงข้างนะคะว่าคุณผู้ฟังคงเคยเห็นนะคะรถสํารอพ่วงข้างตอนนี้ก็จะนิยมใช้กันนะคะทางภาคใต้นะคะเนื่องจากว่าเมื่อเอารถสํารอมาใช้นะคะแล้วก็จะสามารถมีเก้าอี้นะคะในการให้อ่า ผู้ผู้รับจ้างนะคะสามารถนั่งไปได้นะคะเราเรียกว่าสำรอพ่วงข้างนะคะที่ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ในจังหวัดภาคใต้ หรือรถสารเล็งนะคะหรือรถสัมร้อแดงนะคะก็เพื่อที่จะทุ่นแรงนะคะแล้วก็สามารถรับส่งผู้โดยสารได้ในระยะที่ไกลขึ้นนะคะนักประดิษฐ์ชาวไทยจึงได้ดัดแปลงนําเครื่องจกักรยานยนต์มาติดกับรถสัมร้อแบบที่ใช้คนทีบค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะคะทุกวันนี้3ัร้อยเครื่องหรือสารเล็งแดงนี้นะคะก็สามารถที่จะนำสิ่สิ่งของเนี่ยนะคะบรรบรรทุกเข้าไปได้ด้วยค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นรถตุกตกสองแถวนะคะอันนี้ก็จะวิวัฒนาการมาจากตุกๆกธรรมดาโดยดัดแปลงเบาะนั่งด้านหลังเป็นที่นั่งสองแถวนะคะเพื่อที่จะรับผู้โดยสารได้จํานวนมากขึ้นกว่ารถตุกๆธรรมดาค่ะส่วนใหญ่ก็จะพบตามแหล่งชุมชนอย่างท่ารถโดยสารท่าเรือข้ามฟากตลาดสดนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากเครื่องยนต์สองจังหวะมาเป็น4จังหวะค่ะรถ อีกประเภทหนึ่งนะคะที่คุณฟังหลายๆท่านในชันคิดว่าจะต้องคุ้นเคยนั่นก็คือสำล้อสกายแล็บเมื่อครั้งที่สถานีอวกาศสกายแล็บเป็นที่ก่าขานกันไปทั่วโลกนะคะคนไทยก็ได้มีการประดิษฐ์สมล้อและเรียกชื่อตามสมัยนิยมว่าสำล้อสกายแล็บโดยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดอุดรธานีค่ะแล้วก็จะแพร่ไปจังหวัดต่างๆทั่วอีสานนะคะ เป็นสำรอที่ใช้สำหรับเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ที่นั่งโดยสารตลักเป็น2แถวนะคะจุดเด่นของสำรอสกาแลบก็คือสีสันที่สดใสแล้วก็ช่วงหน้าจะเชิดสูงค่ะ ต่อมาอีกประเภทหนึ่งนะคะที่จะคลายรถตุกๆเช่นกันก็คือรถสัมลอแบบมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะคะรถสัมลอแบบมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเมื่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างถือกําเนิดแล้วก็แพร่หลายไปทุกท้องถิ่นนะคะจึงมีแนวคิดค่ะว่าเจะทําอย่างไรที่จะรับผู้โดยสารได้ข้างและหลายๆคนรถสัมลอแบบมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจึงถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อไม่ออกรับจ้างผู้โดยสารก็สามารถถอดเฉพาะตัวรถขับขี่ไปทำ ธุรกิจต่างๆได้ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะความเป็นมาของรถสํารอชนิดต่างๆทีนี้มาดูรถทุกๆบ้านเรานะคะตลาดรถบ้านเราตอนนี้นี่นะคะจะมีรถทุกๆไฟฟ้านี่นะคะทั้งสิ้นเนี่ย 22, คันนะคะแต่นะคะเมื่อเทียบกับรถใหม่ๆที่จดทะเบียนก็ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะคะและประเทศไทยเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นศูนย์กลางผลิตรถ ยนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะโดยผลิตรถยนต์กว่า 1.9 ล้านคันในปี2559นะคะตามสถิติขององค์การผู้ผลิตรถยนต์ระหว่างประเทศหรือ OICA ค่ะการผลิตรถตุ๊กๆนะคะที่ที่ฉันเคยบอกคุณผู้ฟังว่ามีโรงงานบางโรงงานในประเทศไทยนะคะได้ ได้ทำรถตุ๊กๆแบบที่เรียกว่าแฮนด์เมดนะคะหรือว่าใช้มือเนี่ยทั้งคันเนื่องจากว่าเขามีช่างที่ชำนาญในการผลิตนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้เวลาประกอบโครงสร้างรถตุ๊กๆแบบปกติ1คันนี้นะคะใช้เวลา 7-8 วันค่ะโดยเริ่มต้นนะคะสั่งอะไหล่มือสองนะคะมาจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มาเช็คในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ใส่สีสันใส่โครงสร้าง เข้าไปนะและที่สำคัญก็คือจะต้องมีการเช็คสภาพแล้วก็ทดสอบการใช้งานก่อนส่งให้ลูกค้าค่ะการใช้งานของรถตุก๊กๆกนะคะก็จะขับได้ประมาณ80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนการซ่อมบำรุงก็เหมือนรถยนต์ปกติคือต้องเปลี่ยนนะ้มันเครื่องผ้าเบรกแล้วก็ความเสื่อมของระยะเวลาการใช้งานต่างๆด้วยนะคะคุณฟังคะเรื่องของรถตุกต๊กๆนี่นะคะดังที่เคย ได้กลิ่นตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยใช่ไหมคะการนั่งรถตุกต๊กๆชมเมืองเนี่ยก็กลายเป็นโปรแกรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ค่อนข้างรับความนิยมการผลิตรถตุกต๊กๆจำลองในรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกก็กลายเป็นสินค้าขายดีตาแหล่งท่องเที่ยวคะ่ะมิหน่ำซ้ำนะคะรถตุกต๊กๆก็ยังกลายเป็นแฟชั่นชุดประจาชาติที่โด่งดังด้วยนะคะใน เวทีนางงามโลกนะคะเมื่อดีไซเนอร์ได้ออกแบบให้นางงามไทยใส่ชุดตุกตุกไปประกวดบนเวทีนะคะนางงามโลกนะคะจึงทําให้รถตุกตุกเนี่ยมีชื่อเสียงนะคะไปทั่วโลกเลยนะคะดังนั้นนี่นะคะคุณผู้ฟังนะคะเมื่อเป็นคนไทยใช่ไหมคะแล้วเขาก็ได้นําเอารถตุกตุกไปเผยแพร่นะคะเราก็ต้องภาคภูมิใจนะคะแล้วก็จะถามคุณผู้ฟังว่า คุณฟังเคยนั่งรถตุกๆกันแล้วหรือยังนะคะถ้ายัางไม่เคยนั่งนะคะก็ต้องลองขึ้นไปนั่งดูนะคะแล้วก็จะได้สัมผัสกับรถชาติที่ไม่เหมือนการนั่งรถคันอื่นๆนะคะซึ่งเราจะต้องเกาะราวนะคะให้แน่นๆเลยนะคะแล้วก็เวลานั่งก็ไม่ควรที่จะเกิน3มคนนะคะทีฉันว่า3าคนกำลังพอดีถ้าสี่คนนี้ก็จะเบียดเสียดกันไปสักนิดหนึ่งแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของความปลอดภัยค่ะ ค่คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาในรายการมุมมองข่าวรายการที่จะเพิ่มมุมมองให้กับคุณผู้ฟังหมดลงแล้วนะคะคงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะรายการมุมมองข่าวสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม